นัโมตัตสัภะกวาโตอารหะโตสมมาสมบุติสัตนั่โมตัสัภะกวาโตอารหะโตสมมาสมบุติสัตนั่โมตัตสัภะกวาโตอรหะโตสมมาสมบุติสัตหันดดาภิกขเวอามันตยามิว วียธมาสังคาราอัปปามเดนะสัมปเดทาติก็ไม่ต้องพนมมือก็ได้ก็นั่งเข้าสมาธิแล้วก็ฟังไปแต่จะบอกว่านั่งเข้าสมาธิก็เป็นชั้นที่สองชั้นแรกจริงก็คือนั่งกำหนดสติให้สติเราเนี่ยอยู่กับ การบริการมพุทโธหรือจะอยู่กับลมหายใจก็เอาตามแต่ที่เราถนัดเพราะว่าสิ่งที่ เ, เรากำลังทำอยู่ก็เรียกว่าถ้าพุทโธเราจะเรียกว่าพุทธานุสติก็ได้ถ้าจะดูลมหายใจเราจะเรียกว่าอานาปานสติก็ได้ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการฝึกสติ เพรฉนั้นสติก็เป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นการที่เราใกล้ครวญพิจารณาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลก็บนพื้นฐานอยู่ที่เรามีสติ เพราันการที่เรารักษาสติให้แจ่มชัดระหว่างที่เราลืมตาเรามีสติชัดแบบไหนในขณะที่เราหลับตาเข้าสมาธิฟังธรรมก็ขอให้เรามีสติที่มันแจ่มชัดเหมือนตอนที่เราลืมตาอยู่เพราะกันที่เรามีสติที่มันแจ่มชัดไม่เลือนหลง มันก็ทำให้อย่างแรกก็คือเราก็ไม่ได้เข้าภาวังพอไม่เข้าภาวังมันก็ทำให้เราใครีครวญพินิพจารณาธรรมะได้ได้ดีและการที่เรามีสติที่อยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจ มันก็เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าจะพูดให้มันย่อลงมาอีกสักนิดหนึ่งก็คือการที่เราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจเหล่านี้ มันก็เป็นสติที่ทำให้ใจของเราเนี่ยหลีกออกจากโลภะโทสะโมหะราคามันก็เป็นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกุศลนั่นเองบางครั้งคนเริ่มฝึกใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเเรามาอยู่กับพุทโธ ท, ทำไมเรามาอยู่กับลมหายใจทำไม ดูไปก็มันไม่มีสีสันไม่มีความน่าสนุกรื่นเริงอะไรแต่การที่เราเพลิดเพลินรื่นเริงไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราดูตามชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ได้การันตีให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่บนสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ากุศลมันก็เป็นกุศลบ้างเป็นอ ก, กุศลบ้าง สลับกันไปแต่การที่เราประคองใจของเราให้มีสติมีความใส่ใจอยู่กับบทบริกรรมคือพุโทโธมีสติอยู่จนเพาะหน้าที่ลมหายใจกับคาบริกรรมแบบนี้มันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทางโลภะโทสะโมหะแต่แน่นอนก็คือต้องทำให้มันถูกต้องด้วย ถ้าทำที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจิตของเราใจของเรามันก็จะหลีไกลจากโลภะโทสะโมหระรักะมันก็เป็นพื้นฐานของผู้ที่ต้องการจะมีความสุขทางใจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานของการที่เราจะมาลดทอนความทุกข์ เกี่ยวกับจิตใจถ้าใครอยู่กับวิทยาการสมัยใหม่ตำราสมัยใหม่เขาก็จะเน้นให้เราคิดพิจารณาใช่แก้ไขปัญหาพินิจพิจารณาถึงอะไรคือเหตุอะไรคือผลคุยไปแล้วก็ได้แรงบันดาลใจกันไปพอได้แรงบันดาลใจไปก็ฮึดอยู่พักหนึ่ง พอฮึด อ, อยู่พักหนึ่งสุดท้ายมันก็จะทำให้ถ้าเรายังทำไม่ถูกต้องมันก็พลังมันหมดนะพอพลังมันหมดเราก็ต้องไปหาที่พึ่งเหมือนเดิมแต่การที่เรากลับมาพึ่งพุทโธพึ่งสติกับลมหายใจมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายๆ มันเป็นวิธีการพื้นฐานของวิธีการแก้ปัญหาซึ่งไอ้สมัยใหม่ที่อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรก็คิดมีอะไรก็คิดมีอะไรก็คิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดกันไปแต่เราก็จะเห็นได้ว่าการคิดกันที่เราอาศัยการคิดเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกางด้านจิตใจเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมันไม่ หนึ่งเปอ์นต์ำซ้ำําบางคนคิดไปคิดมาวนไปวนมาก็วุ่นวายกว่าเก่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่ายิ่งคิดก็ยิ่งเหมือนปัญหามันก็วนอยู่อยู่ในอ่างอย่างนั้นนะหาทางออกไม่ได้เพราะอะไรการคิดเป็นสิ่งจําเป็นนะแต่สิ่งที่มันจําเป็นก่อนการคิดก็คือการที่เรามีจิตใจที่มันหลีกหลีกออกจากความวุ่นวายเสียก่อน การที่เรามีใจที่มันหลีกออกจากความวุ่นวายให้ได้เสียก่อนเนี่ยมันจึงทำให้ความคิดที่ได้จากการที่เรามีใจที่มันหลีกออกจากความวุ่นวายมาสงบอยู่ได้แล้วเนี่ยความคิดอันนั้นจึงเป็นความคิดที่มีประสิท ธ, ธิภาพในการที่เราจะแก้ทุกในการที่เราจะมองเห็นปัญหาว่าอะไรคือปัญหาอย่างจริงจริงอะไรมันเป็นต้นต่อของปัญหาจริงๆ แล้วอะไรคือความทุกข์ทุกจริงจริงไม่ใช่ว่าเราคิดว่าอันนี้คือทุกข์แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์เห็นสุขเป็นทุกข์ก็มีแต่การที่เราทำใจให้สงบได้มันจะทำให้เราเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงพอเราเห็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราก็จะพัฒนามันไปอีกโดยที่ว่าเราจะรู้ว่าทุกที่มันเกิดขึ้นกับเราณนะตอนนี้อะไรเป็นเหตุของมันจริงๆไม่ใช่ไปโทษอันนั้นโทษอันนี้แต่เราก็จะเข้าใจมันแล้วก็เข้าใจถึงสาเหตุของมันจริงๆที่ได้จากการพินิจ์พิจารณาใครครวนอย่าง รอบครอบบนพื้นฐานของจิตใจที่มันสงบระนับทำไมกันการที่เรามีจิตใจที่สงบระงับมันจึงมีประสิทธิภาพที่ดีเพราะการที่เรามีจิตใจที่มันไม่สงบมันก็ทำให้ใจเราเนี่ยลำเอียงไปทางความโกรธไปทางความโกรธก็ดีไปทางความรักก็ดีเหล่านี้มันทำให้บางครั้งสิ่งที่เราพอใจ เรายินดีแต่มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็ไม่กล้าไปชี้เหมือนว่าอันนี้คือต้นเหตุของความทุกข์นะใจมันมีความลาเอียงอยู่มันมีความลาเอียงเพราะรักถ้าสิ่งใดเราโกรธเรามีความโกรธนี้เราก็จะไปโทษมันแหละว่าอันนั้นนะ่ะสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้นะมันเป็นเหตุนาทุกข์มาให้เราซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่เพราะใจที่มันไม่เป็นกลางมีความลำเอียงจากความรักความโกรธความหลงมันก็ทําให้เราเนี่ยจะแก้ปัญหาบนพื้นฐานที่มันมั่วซั่วไปหมดเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงพอเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็ทําให้เราแก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดเหมือนยกตัว อ, อย่างนะ ถ้าเราบอกว่าเหมันเราหิวข้าวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกหิวข้าวแต่เราก็อยากจะไปะเขาเอากว๋วยเตี๋ยว ม, มาให้เราชั่งหนึงเราก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วเราก็ไม่กินมันแล้วเราก็ไปโทษมันว่าไอ้นี่แหละคือต้นเหตุของความหิวของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่นะต้นเหตุก็คือเราไม่ชอบมันแต่ถ้าเราไม่ชอบ เราตัดความไม่ชอบออกไปเรากินมันเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็หายหิวเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาบนพื้นฐานของใจที่มันสงบระงับไม่ลำเอียงชีวิตเราก็บริหารมันได้ดีขึ้นไม่ว่าทั้งภายนอกก็ดีทั้งภายในก็ดี พอพูดถึงเรื่องภายนอกกั พ, พูดถึงถึงเรื่องภายในแล้วเนี่ยก็ชี้ชี้ให้เห็นลงไปว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ร่างกายอันนี้คนเรามันก็ประกอบไปด้วยร่างกายหนึ่งแล้วก็จิตใจหนึ่งอันนี้ก็สำหรับบางคนที่อาจจะยังเป็นผู้ใหม่ที่จะฝึกแก้ทุก ประชีให้เห็นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็อันหนึ่งแล้วก็จิตใจอันหนึ่งซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นเราคนมันก็ประกอบไปด้วยสองส่วนแล้วสุขทุ ก, ส, ทกสุขทุกเนี่ยมันก็จึงแบ่งไปได้สองส่วนเหมือนกันก็คือสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจ ถ้าเราจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งแบบนี้เพราะถ้าเรารวมระหว่างเรื่องของร่างกายรวมเหมากับจิตใจเนี่ยมันทำให้เราก็แก้ปัญหามันไม่ถูกจุดบางครั้งเราแก้ปัญหาทางกายเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางใจมันก็เหมือนเกาไม่ถูกที่คันนะแต่ถ้าเรารู้ว่า ปัญหาอันนี้มันเป็นส่วนของร่างกายหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์จิตใจพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็แก้ปัญหาให้มันตรงจุดได้ดีขึ้นปัญหาทางด้านจิตใจปัญหาทางด้านอารมณ์มันก็ต้องแก้ที่ที่จิตใจที่อารมณ์จะไปแก้ที่เข้าขอไปแก้ที่คนอื่นมันก็อาจจะไม่ตรงจุดซะทีเดียว พเราเห็นแล้วเนี่ยว่าถ้าร่างกายอันหนึ่งจิตใจอันหนึ่งแล้วอันไหนเนี่ยมันเป็นเป็นประธานเป็นเป็นประธานของความสุขความทุกข์เป็นผลรวมของความสุขความทุกข์ของคําว่าเราคำโบราณก็ว่าไว้อยู่แล้วนะเขาก็เปรียบเทียบไ้ฟังคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนะมันก็เห็นอยแล้วว่า ร่างกายมันก็มีส่วนอันหนึ่งแต่ที่มันสำคัญเป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆก็คือจิตใจนั่แหละถ้าเรากินอิ่มนอนหลับดีแต่ถ้าเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านมันก็ไม่เป็นต อ, อยู่เหมือนกันมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่าคาบโดยรวมผลรวม ของเราเนี่ยเราก็ประมวลได้ว่าชีวิตเราก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขทีนี้ถ้าเราสุขใจมีความสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสดียกตัวอย่างอาจจะยังไม่ได้กินข้าวเชาว้ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันแต่เราก็มีความสุขใจมีความเบิกบานใจดีอยู่ได้ชีวิตมันก็พอไปได้มันก็เห็นได้ว่าความสุขความทุกข์ของคนเราเนี่ย ความสุขความทุกข์ทางใจมันมันเป็นเป็นใหญ่เพราะนั้นถ้าเราบริหารความสุขความทุกข์ทางใจได้ดีมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขที่มันมากขึ้นได้แล้วก็มีความทุกข์โดยรวมเนี่ยลดลงได้แล้ววัตถุประสงค์ของการที่เราอยู่บนโลกใบนี้มันคืออะไรเราลองถามตัวเองดู บางคนฝึกหัดปฏิบัติมาดีแล้วเนี่ยก็บอกอ๋อฉันก็หวังพระนิพพานอันีก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาให้มันณนปัจจุบันซะหน่อยหนึ่งพอพระนิพพานดูมันก็ยังอาจจะสําหรับบางคนก็ดูไกลไกลไปหน่อยเพราะนั้นเราดูที่ณปัจจุบันเราตอนนี้เนี่ยเราอยากได้อะไรลองถามตัวเองดูเราอยากได้ความสุขในชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหม เราก็อยากได้ความทุกข์ที่มันมีในชีวิตของเราเนี่ยมันลดลงไปใช่ไหมหรือไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมซึ่งถ้าเราต้องการอย่างนั้นเนี่ยเราก็้องถามตัวเองดูว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยมันได้ประสิทธิภาพดีมากน้อยเท่าไหร่สัดส่วนความสุขความทุกข์ ทางใจของเราตอนนี้มันได้รับการแก้ปัญหาดีมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นวิธีการที่ยั่งยืนทำให้ความทุกข์ที่มีเนี่ยเราชนะมันได้ทุกครั้งไหมซึ่งถ้าเราตอบตัวเองได้ว่ามันยังไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็ อยากจะเชิญชวนให้เรามาศึกษาคำสอนให้ลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็มุ่งเน้นลงไปที่คำสอนที่พัฒนาความสุขทางใจให้มันมีมากขึ้นหรือที่เราชอบได้ยินได้ฟังกันนะ่ะนิพพานังประมังสุขขังใช่พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือความทุกข์ที่มีมันก็ได้รับการบริหารจัดการทําให้มันลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะเพียงแต่ว่าเราแก้ปัญหาได้มันก็เสมือนว่ามันไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าผลรวมความทุกข์โดยรวมของชีวิตเรามันก็จะค่อยๆลดลงไปเราถามว่ามันเป็นสิ่งที่เรา ต้องการณกขนาดนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ปัดธงเอาไว้เลยว่านี่แหละทางที่เราจะเดินคือทางนี้เพราะว่าวิธีการบริหารความสุขความทุกข์เนี่ยปกติคนเรามันก็เป็นกันทุกคนอยู่แล้วละ่ะเป็นแต่ว่าใครทําได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรง พิสูจน์ให้แล้วว่าทางเส้นนี้ทางเส้นที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยที่พระองค์ทรงพาเดินเนี่ยมันเป็นทางที่ทําให้ความทุกข์ที่มีลดลงลดน้อยแล้วก็ไม่กลับกําเริบขึ้นมาได้อีกทันใจคําว่าทำที่สุดแห่งทุกข์พระอทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เราก็จบแหละมิชชั่นมิชชั่นคอมพลีทความทุกข์ที่เรามีเราก็ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในลักษณะไหนแง่ไหนในเมื่อเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเนี่ยเราก็พูดง่ายเราชนะมันได้ปัญหานี้เราก็แก้ได้ปัญหานั้นเราก็แก้ได้ไม่ว่าปัญหาอันไหนที่มันทําให้เราทุกข์ใจเราแก้ได้หมดเพราะฉะนั้นมันก็มีความสุขสิ เพราะว่าเวลามีปัญหาเราแก้ได้ปัญหามันหมดไปทุกมันก็หมดไปใช่ไหมที่พูดตรงนี้เนี่ยคืออยากจะย้ำย้ำภาพของผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องให้ท่านทั้งหลายได้ได้เข้าใจซะก่อนเพราะว่าบางคนหวังหวังความสุขหวังความพ้นทุกข์แต่วาดภาพเอาไว้ไม่ค่อยตรง พอไม่ค่อยตรงมันก็ไปคว้าเอาภาพที่มันไม่ตรงอ่ะพอไปคว้าเอาภาพที่มันไม่ตรงแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สักทีใช่หมดันั้นก็อยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ให้มันกระจ่างชัดขึ้นไม่ต้องยกตัวอย่างใครแหละยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พระองค์ก็เป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุกได้เป็นคนแรกใช่ปะแล้วก็มี สาวกคือผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วก็อริยาสาวกคือผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วได้ผลเชกเช่นเดียวกับพระพุทธองอค์ก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่พระพุทธองค์ก็ดีแม้แต่เหล่าสาวกก็ดีไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นก้อนหินที่ไม่รู้สีรู้สาอะไรจะบอกว่าเราเป็นพระอระหันต์แล้วเราก็ มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่รู้อาจักอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเลยอันนี้มันก็ค้นกับความเป็นจริงสนิดนึงเพราะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง เ, ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารทั้งหลายไม่เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ พอเราบอกว่าเราเป็นพระอาหารแล้วเราจะไม่มีไม่มีอะไรเลยมันก็ขัดแย้งกันอยู่นิดหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีมันมีแล้วไงมันมีแล้วเราก็แก้ปัญหามันได้พอแก้ปัญหามันได้เราวางได้วางได้รวดเร็ววางได้อย่างชำนิชนานาญมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเกิดขึ้นไม่มีตั้งอยู่ไม่มีดับไป สิ่งที่มันมากระทบทางตามันก็ต้องมีสิ่งที่มันมากระทบทางหูก็ต้องมีเพียงแต่ว่าเราเข้าใจมันด้วยความจริงที่เราศึกษามาดีแล้วเข้าใจมันว่ามันไม่ควรที่ใจของเราเนี่ยจะเข้าไปยึดไปถือเก็บมาเป็นตัวเราเก็บมาเป็นของเราเก็บมาเป็นเราพอเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วอะถ้าเราเก็บมาเป็นของเราเก็บมาเป็นเรา มันมีความทุกข์นะพอเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราจึงไม่เก็บมาเป็นของเราไม่ถือว่านั่นเป็นเราเพราะฉะนั้นมันก็เบาสบายอยู่ได้มันก็ต้องสู้กันไปอย่างนี้แหละมันเกิดมาแต่เราเท่าทันมันพอเราเท่าทันมันมันก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราก็ปล่อยวางได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราอีก มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีความคิดนึกปรุงแต่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสได้มีความคิดนึกปรุงแต่งได้แต่สิ่งสำคัญของคนที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่เข้าใจมันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมัน พอไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่ถือว่านั่นเป็นเราไม่ถือว่านั่นเป็นของเราพอไม่มีอุปาทานเราไม่ยึดเราไม่ถือมันก็ไม่หนักใจเราก็เบาสบายได้อย่างในวันที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันบระนิพพานเนี่ยท่านก็เตือนท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่ประชุมนั่นแหละ ก็เตือนด้วยภาษาบาลีที่ยกไว้เป็นนิเขป บ, บทเบื้องต้นนั่นแหละว่าฮันดาดาพิเคเวอามันตยา ม, มิโวก็แปลว่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังฆาราสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเดทก ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้น่มันก็ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างยิ่งใหญ่นะถ้าเราเอาไปพิจารณาให้ดีคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็เกิดแต่ตัวน้อยๆ น, นั่นแหละ เราบอกว่าเด็กๆเราใช้คําว่าเจริญเติบโตใช่ไหมโตมาจากเด็กเล็กเป็นเด็กวัยเดินได้เดินได้กว็วิ่งได้ไวัยเข้าโรงเรียนอนุบาลวัยเข้าโรงเรียนปถมมัธยมเราก็เรียกว่าค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือเสื่อมนั่นแหละทําไมถึงพูดว่าเสื่อมเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยยุคนี้สมัยนี้เนี่ย โดยเฉลี่ยก็1 0อยปีเป็นประมาณเพราะนั้นตั้งแต่ที่เราคลอดออกจากท้องแม่เนี่ยเราก็จ่ายจ่ายเวลาของเราเนี่ย้อปีอันเนี้ยจ่ายไปตลอดทุกนาทีทุกวินาทีจ่ายไปเรื่อยเรืเราเกิดมาเนี่ยมีแต่นับถอยหลังนะนับถอยหลังไปเรื่อยเคืออะไรไอ้ร้อยปีที่เรามีได้มาตอนแรกเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆลดไปลดไปลดไป คนหขวบก็คือมันเสื่อมไปแล้ว5ปีอันนี้แค่พูดในกรณีที่ว่าไปตายตอนอายุ1 0 0นะแต่คนที่ตายก่อนอายุ1น0ยเนี่ยเยอะแ ย, ยะเลยป่วยตายก็มีอุบัติเหตุก็มีซึ่งมันกาหนดตามใจเราไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เรากาหนดได้ดังใจไม่ได้ผูดที่กาหนดได้ก็ เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็อันนั้นท่านก็ปรงอายุสังขารกําหนดได้ว่าวันนี้นะเดือนนี้นะอย่างที่เราทราบกันดีก็คือวันเพ็ญเดือนหที่ท่านเสด็จดับขันปรินิพพานไปแต่คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยกำหนดไม่ได้หรอกว่าเราจะตายวันนั้นเราจะตายวันนี้ความตายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาคู่กับการเกิดนั่นแหละ เราเกิดมาปุ๊บตายมันก็แปะกับเราคู่กันนะ่ยมันไม่ได้แปะแค่ความตายอย่างเดียวนะความแก่ความป่วยไขย้มันแปะมาเป็นแพ็กเกจเลยพอเราได้การเกิดเมื่อไหร่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นแพ็กเกจคู่กันมาทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าคนที่ได้รับการฝึกอบรม ที่ดีเขาก็จะคำนึงถึงความแก่ความเจ็บความตายว่ามันมีเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอันนี้นะของร่างกายอันนี้นะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาหาความจริงก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจ ไม่ค่อยนำมาใส่ใจเตือนใจตัวเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะเรามีความตายเป็นธรรมดาคนส่วนมากพอพูดถึงเรื่องตายตายก็อ้ออย่าพูดอย่าพูดอย่าไปพูดถึงพอพูดถึงเรื่องป่วยไข่อ๋ออย่าไปพูดอย่าไปพูดพูดแล้วมันเศร้าพูดแล้วมันห่อเหี่ยวจิตใจพูดถึงเรื่องตายตายก็อย่าไปพูดเลยพูดแล้วมันหดหู แต่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ศักยภาพของใจของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาในการที่จะต่อต้านความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าความแก่เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็ทุกข์ใจเราไม่ชอบใจความป่วยไข้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่ชอบใจความตายเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับญาติเราเราก็ไม่พอใจ พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์แน่นอนบางคนก็ทุกข์มากบางคนก็ทุกข์มากมากอะไรที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์มากทุกข์น้อยต่างกันก็คือการที่เราเข้าใจมันถ้าเราเข้าใจมันมากเข้าใจมันได้อย่างดีตามความเป็นจริงของมันเนี่ยเราก็ทุกข์น้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะ ก็ทุกนั่นแหละแต่มันทุกน้อยทุกน้อยแล้วก็ปล่อยวางได้เร็วอันนี้คือผู้ที่ฝึกอบรมมาดีแต่ถ้าคนที่ไม่ฝึกอบรมทุกกระทุกมากทุกกระทุกเยอะทุกกระทุกนานไม่ปล่อยสักทีหนึ่งมันก็อยู่กับเราอย่างนั้นแหละบางครั้งคนรักจากไป ไอการจากพรากเนี่ยมันก็วินาทีเสี้ยวที่คนรักเราตายนั่นแหละคนตายก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราแล้วนะแต่คนเป็นเนี่ยก็ทุกไปทุกไปเหมือนดูในหนังอะหนังเขาสร้างภาพให้เราแบบคูณ2คูณ3ไปมาทุกแล้วก็ต้องทุกนานนานทุกเป็น5ปี10ปีทุกไปมันไปตนตราบเท่าจนวันตายแล้วมันเท่ดี แสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อคนที่จากไปเพราะนั้นใครที่ทุกข์มากๆทุกข์เยอะเยเท่เนการแสดงออกถึงความรักไอ้ถามว่าทําอย่างนี้แล้วมันฉลาดไหมมันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเราเอาความทุกข์มาแสดงออกเป็นเครื่องแสดงว่าเอ้ยเรารักเขามากไม่ถูกละ มันเป็นตักกะที่มันไม่ถูกต้องอ่ะตักกะพิเพี้ยนตักกะวิบัติทำไรเราต้องเก็บความทุกข์เอาไว้ในใจด้วยพัดพลากแล้วก็พัดพลากกันไปใช่ไหมละ่ะสิ่งที่เราทำให้กับคนตายได้คืออะไรเราก็ทำบุญทำกุศลให้แล้วเราก็เอาทิศให้กับผู้ที่ตายไปเพราะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาได้อนุโมทนาบุญเขาก็ได้บุญบุญมันก็เป็นชื่อของความสุขอยู่แล้ว กานที่เขารับบุญได้จากที่อยู่ในภพภูมิที่อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นภพภูมิที่มันดีกว่าเก่าคนที่มีความสุขอยู่แล้วอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขดีอยู่แล้วก็มีความสุขที่มันมากขึ้นจะผลบุญที่เราได้อุทิศให้ไม่ใช่แต่คนรักที่เราอุทิศบุญอุทิศกุศลให้อย่างเดียวจริงๆตัวเราเนี่ยแหละก็ต้องการมอนกันตายไปแล้วนี่ ใครจะเอาอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่บุญกับบาปเงินทองข้าวของที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนึ่งญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้พ่อแม่ก็เอาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมันก็ทําให้เราเห็นว่าถ้ามันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเ่ยมันก็ไม่มีสาระเกลนสารอะไรเท่าไหร่ แต่จริงๆมันก็มีสาระแก่ยนสารในตอนที่มันมีชีวิตอยู่นั่นแหละข่าวของเงินทองอะ่ะแต่เราอย่ามองให้มันสั้นขนาดนั้นพยายามมองพิจารณาให้มันถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะว่าความจริงมันไกลกว่านั้นความจริงเหนือคือเราไม่ได้มีแค่อัตภาพอันนี้อันเดียวตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วเราก็ไปถืออัตภาพใหม่ๆทารามีบุญเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าจะกลับมา เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสุคติเป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ก็มีแต่บาปเป็นตัวชักนําไปและเป็นยังไงก็เกิดไปเป็นสัตว์นรกบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างซึ่งเป็นภพภูมิที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข พอมันอยู่ในพบูรนที่มันมีความทุกข์มากๆเนี่ยจิตใจที่มันจะระลึกตั้งสติขึ้นได้เนี่ยมันก็น้อยยากที่จะเป็นไปได้ยิ่งเป็นสัมมาสติที่จะทำให้เราเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นสัมมาสติที่ทำให้จิตใจของเราเป็นกุศลเป็นทางมาแห่งบุญมันก็ไม่ได้อย่างสัตว์นรกเนี่ยเขาถูกทรมานทรมกรรมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่างเว้นโอกาสที่จะมานึกถึงบุญที่เคยทําไว้เนยนึกไม่ออกแก็ทุกทรมารอยู่อย่างนั้นเหมือนคนที่ไม่ต้องอะไรมากอ่ะมันเราป่วยปวดแข้งปวดขาปวดจะเป็นจะตายออยออยอ้ยอยเงี้ ย, ย, ยมันก็คิดถึงแต่เรื่องปวดนะโอกาสที่มันจะแบบเอยเอาดึงใจออกจากความปวดเสียให้ได้ก่อนมันก็น้อยคนน่ะ ถ้าไม่ได้ฝึกมามันก็ทำทำลาบากครั้นี้ก็เทบเคียงให้เห็นประสัตว์นรกนี่มันโอมันทุกเยอะกว่านั้นเนี่ยเจ็บปวดทุกท ร, รมานเยอะกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นจึงให้เร่งทําบุญเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในภูมิที่มันเป็นทุกขติแล้วเราไปอยู่ในทุกขติเนี่ยมันทุกนานนะอายุมนุษย์เนี่ยยุคนี้เนี่ยร้อยปีเป็นประมาณ เทวดาก็อายุยืนกว่าเทวดาชั้นาดาวดึงเนี่ยชั้นแรกเนี่ยก็อายุยืนอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือร้อยปีของเรามันก็ยาวนานกว่ากันตั้งเยอะอันนั้นแค่วันเดียวนะอายุเขาก็ห้าร้อปีบ้างอะไรบ้างที่ต่างนี้นะมันยาวนานมาก แต่อายุของสัตว์นรกนี่มันนานกว่านานกว่าเทวดาสิดั่นั้นนะตกไปแล้วเนี่ยอยู่ยาวเลยทีนี้โอกาสที่จะกลับมาอยู่ในภูมิที่มันเป็นสุขติเนี่ยก็ยากเพราะอะไรเพราะเราเระลึกนึกถึงบุญกุศลลำบากนึกถึงไม่ได้มันก็มาไม่ได้อันนี้ก็ผู้ที่เห็นนะว่า ความมีสาระในชีวิตของเราเนี่ยเราก็พยายามดูให้มันถี่ถ้วนว่าอะไรมันเป็นสาระสำคัญแน่นอนแหละข้าวของเงินทองมันก็เป็นสาระสำคัญที่เราต้องกินต้องอยู่ประชัยสี่มันต้องใช้อะแหละแต่เราอย่าไปไปถือว่าข้าวของเงินทองบ้านช่องต่างๆเหล่านี้เนี่เป็นสาระโดยถ่ายเดียวอย่างอุกฤษอย่งเนี้ยก็ไม่ใช่ ก็อย่างที่ว่าไปก็คือตายไปแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างนี่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปแล้วทางมาแห่งบุญคืออะไรทานศีลภาวนาอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละทานเราก็เดทําทำศีลเราก็รักษาการเจริญภาวนาทำให้ จิตใจเราห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะเราก็กาลังทำอยู่แต่สิ่งสำคัญคืออยากให้มันทำแค่นี้ไม่ใช่ทำเป็นแค่เฉพาะจังหวะเวลาสิ่งที่เราฝึกเนี่ยคำว่าฝึกนี่นะฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อไม่ใช่ว่าให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนฝึกเป็นผู้ฝึกไม่ใช่แต่เราฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อที่เราจะได้ได้ทักษะ จากการฝึกต่างหากเราได้ทักษะจากการฝึกที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยทำได้บ่อยทำได้ชำนาญทำได้อย่างดีคําว่าชำนาญเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงนิสัยเรากำลังฝึกนิสัยของเราใหม่นิสัยที่เราจะเป็นผู้ที่มีหน้าตรงไปสู่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีหน้าตรงไปสู่ทางแห่งความทุกข์ ที่มันเกลือกลัวไปด้วยโลภะโทสะโมหะระเราจะเป็นผู้ที่หลีกออกจากกามมาอยู่บนทางแห่งมรรคให้นิสัยของเราอยู่บนทางนี้ไม่ใช่ว่าเขาคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไงกลับบ้านก็ใช้ชีวิตเหมือนเก่าอันนี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแต่ก็ยังดีอ่ะดีดีกว่าไม่ทําก็เหมือนเราหยอดกระปุกอะ่ะหยอดอยู่มันก็ยังมีอยู่บ้างอยู่ในกระปุกนั่ น, นแหละ แต่ถ้าจะให้ดีสิ่งที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นนิสัยนิสัยอันใหม่ของเรานิสัยที่เราจะเป็นนิสัยของคนผู้มีศีนที่บริบูรณ์บาปเราไม่ทําเราทําแต่ความดีงามแล้วนอกจากสีนแล้วเราทําอะไรเราก็ฝึกจิตใจให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นมีกําลังเพอจิตใจ มันเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความสงบตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยแน่นอนอนะ่ะอันนี้มันก็เป็นอา น, นิสงส์เบื้องแรกที่เราจะเห็นได้ว่าความสุขใจความสบายใจเนี่ยมันโห้ยมันดีมากแค่สง บ, บระงับโลภะโทสะโมหะลงไปได้มันก็มีความสุขใหญ่หลวงขึ้นมาเป็นความสุขที่มันดีละเอียดประณีตยิ่งกว่าความสุขที่เราได้เสพจาก การทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไอความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าความสุขที่ได้จากกรรมเนี่ยมันก็มีโทษอยู่มีความสุขน้อยแต่มีโทษมาก เป็นไปเพื่อความกําหนักยินดีเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อที่เราจะเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเราคุยง่ายก็เป็นทางแห่งความทุกข์นั่นแหละแต่การที่เราสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นใจที่หลีกออกจากโลภะโทสะโมหะ ราคะแล้วมาสงบตั้งมั่นอยู่ในภายในมันมีความละเอียดประณีตมากมากอะเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าความสุขใดยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มีจิตใจที่มันเคยวุ่นวายเคยเ ร, าร่าร้อนจากการที่เราเสพดาม มันก็ดับไปอย่างกามเนี่ยมันเสพไปเสพไปมันก็ไม่อิ่มนะมันไม่อิ่มละแล้วก็มีแต่ต้องเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยเรืเพิ่มให้มันยิ่งประณีตไปเรื่อยๆจากการที่กินก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยตอนมีเงินแบบหลักพันเงี้ยกินก็เอออร่อยดีเงี้ย จะพอมีเงินหลักหมื่นหลักแสนแล้วกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยชักไม่อร่อยจะไปหากินในห้างนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่มันก็อิ่มเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนที่มีเงินหลักหมื่นหลักแสนแล้วจะไปกินในห้างไม่ได้นะต้องกินหน้าบักซอยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทำไมาถึงว่าใจที่มันยึดติดยึดมั่นในความสุขทางกามแล้วมันต้องให้มัน แบบนี้อย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้แบบนี้มันถือว่ามันไม่ดีแล้วไม่ละเอียดประนีตเพียงพอสำหรับเราเราต้องให้มันละเอียดประนีตยิ่งขึ้นไปกว่านี้เท่านั้นก็ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วเราเกิดมีรายได้ลดลงจนลงแล้วเรากลับมากินก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยก็อร่อยเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกลับมากินก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยไม่ได้เนี่ยแสดงว่า นี่แหละโทษของการโทษของความยึดติดโทษของการที่มันไม่อิ่มไม่พอเนี่ยมันแสดงออกมาทำให้ใจของเราเนี่ยราร้อนชีวิตก็ลำบากขึ้นเพราะงั้นกามเนี่ยมันมีแต่ทำให้เราหวยหาหวยหิวหิวไปอย่างเดียวยิ่งเสพยิ่งหิวยิ่งเสพยิ่งต้องมากขึ้นประณีตขึ้น ถ้าเรามีกำลังพอที่จะซัพพอร์ตมันได้ก็ไม่เท่าไรแต่ถ้าเรามีกำลังไม่พอที่จะซัพพอร์ตมันเนี่ยมันเป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากทางเดินแห่งศีลจากที่ไม่เคยขโมยก็จะขโมยได้เพราะความอยากในใจมันกระตุ้นได้ที่ไม่เคยลักขโมยก็ลักขโมยได้ที่ไม่เคยโกหกที่จะให้ได โกหกคนนั้นชอบโกงคนนี้ไม่เคยทำก็ทำได้เหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเรามีความสุขอีกประเภทหนึ่งที่เราได้รับการฝึกอบรมที่ดีอย่างดีความสุขประเภทที่ว่าหลีกออกจากกามมันก็ชดเชยอะชดเชยได้แล้วมันก็เป็นความสุขที่ดีกว่าโดยซ้าเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตกว่าความสุขที่ได้จากความสุขทางกามด้วยซ้า แล้วคุณสมบัติของการที่เราได้ความสุขจากการที่เราหลีกออกจากกามเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเต็มมีความอิ่มมีความบริบูรณ์ขึ้นไม่หิวไม่หวยแล้วถึงมันจะหิวถึงมันจะห่วยเนี่ยจะใช้คำว่าหิวหวยมันอาจจะดูนันไปหน่อยแต่หมายถึงว่าเราก็อยากจะได้ เสพความสงบจากการาสงบระงับตาหัวจมูกลิ้นกายรูปเสียงองกลิ่นรสสัมผัสให้มันมากขึ้นถี่ขึ้นไวขึ้นแต่การที่เราเสพความสุขแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีคุณสมบัติทางใจดีขึ้นดีขึ้นไปอีกจากทีเ่เราอาจจะรักษาศีลได้ดีอยู่แล้ว แต่เราก็จะพยายามรักษาให้มันละเอียดประณีตขึ้นรักษาให้มันได้ได้ในละเอียดทุกๆช่วงเวลามากขึ้นจากการที่เราเห็นคุณค่าของความสงบที่เราได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นแรงเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราเดินไปในทางดีแต่ถ้าความหิวจากการที่เราเสพกามเนี่ยมันทําให้เรา อกนอกทางเห็นความดีไปก็มกีเรียกว่าทุกขติเป็นเบื้องหน้าทุกขติก็รอคอยเราอยู่ซึ่งก็ย้อนกลับไปตอนแรกที่เราคุยกันก็คือว่าในที่นี้ก็เราก็ฝึกหัดจิตใจกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะเราต้องการความสุขที่นี้ความสุขความทุกข์เนี่ยของเราเนี่ยมันก็มีได้สองส่วนที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้ ให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือความทุกข์มันก็มีทั้งเรื่องข้างนอกที่มันวุ่นวายแล้วทำให้ใจเราวุ่นวายใช่หแล้วก็เป็นเรื่องวุ่นวายของใจเราเองก็มีแต่เรื่องข้างนอกเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยบางครั้งเราก็พอที่จะบริหารจัดการมันได้มันก็ลดความวุ่นวายลงไปได้แต่มันก็บริหารจัดการได้ไม่ 100% เเ็เต็มนะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะบริหารจัดการความสุขความทุกข์จากข้างนอกโดยถ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ทํายากอย่างเช่นเอาความจริงที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคนเรามันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละนะเราควบคุมไปไม่ได้หรอกอย่างเราบอกแล้วควบคุมความแก่ได้นะเราผมขาวเราก็ไปย้มผมให้มันดําๆได้ มันก็พอทำได้น่นแหละแค่บทบังความจริงเฉยๆแต่การที่เราเข้าใจความจริงอ่ะเรามีความสุขได้กว้างขวางกว่าเพราะว่าคนที่ผมขาวแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเขามีความสุขเฉพาะตอนที่เขายอมผมเป็นสีดำแต่คนที่เข้าใจความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงแล้วเขาเข้าใจว่าผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสุขความทุกข์ทางใจเรา มันจะขาวเราก็มีความสุขทางใจได้มันจะดำมันก็มีความสุขทางใจได้มันจะสีอะไรหรือมันจะไม่มีผมมันก็มีความสุขทางใจได้เพราะงั้นการที่เราเข้าใจมันได้ดีขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงดีขึ้นเนี่ยความสุขของเรามันจึงกว้างขวางมากขึ้นไม่ขับแคบไม่ขับแคบอยู่แค่เฉพาะฉันต้องมีผมอยู่บนหัวเท่านั้นนะ ผมฉันจะต้องดำเท่านั้นนะผมฉันจะต้องยาวเท่านี้อย่างเดียวเท่านั้นนะหนังฉันจะต้องตึงหลังฉันหย่อนไม่ได้นะเพราะนั้นหลังเรามันจะตึงหรือมันจะหย่อนมันก็มีความสุขได้ความสุขเราก็กว้างขวางขึ้นมากกว่าคนที่ปฏิเสธความเป็นจริงเพราะนั้นนอกจากการที่เราจะฝึกหัด ทำความสงบให้หมันเกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเนี่ยแล้วเราได้รับความสุขจากความสงบทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทําให้ความสุขของเราเนี่ยพัฒนายั่งยืนมั่นคงมากขึ้นก็คือการที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็เหมือนที่ยกตัวอย่างมาสักครู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอต้ตรกกะต่างๆที่เราได้รับมาในโลกใบนี้เนี่ย บางครั้งมันก็ถูกตามความเป็นจริงบางครั้งมันก็เป็นตักกะที่ได้รับความนิยมในหมู่สังคมเฉยๆแต่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงไงอย่างในสังคมเราเราก็มีค่านิยมใช่ไหมว่าต้องผมก็ต้องดำดำนะในหมู่คนเอเชียเงี้ยผมดำดำหรือถ้าไม่พอใจจะไปย้อมเป็นสีทองสีเทาๆอะไรกับวากันไปเขาก็เป็นแฟชั่นของเขา แล้วเราก็มีความสุขดีจากคนที่หน้าเหี่ยวๆก็ไปไปดึงให้มันตึงๆหรือไม่ก็ไปฉีดให้มันตึงๆเราถึงจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นค่านิยมของสังคมต่างหากแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราเข้าใจมันได้ตามความเป็นจริงด้วยเนี่ยความสุขเราก็กว้างขวางกว่าเพราะว่าท่านหน้าเราเนี่ยมันมีรอยตีนกาล้วก็ มีความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจผมเรากลายเป็นสีขาวเพราะมันเงาะเราก็มีความทุกข์กับจิตใจปวดหลังปวดเอวเดินลำบากนั่งก็โอยเดินก็โอยยืนก็โอยก็มีความทุกข์กับจิตใจตถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าความแก่มันก็เป็นธรรมดาแหละเพราะฉะนั้นเราก็แก่อย่างมีความสุขสะ บัวอยามีความสุขซะมันก็ได้นี่ใช่หัหยเพราะว่าเราเลี่ยงความแก่ความตายความเจ็บไข้ไม่ได้ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้เราก็อยู่กับมันอยามีความสุขได้นี่แต่เพียงแต่ว่าความสุขที่เรามีเนี่ยมันโดนตีกรอบจากความไม่รู้จากค่านิยมผิดๆในสังคมก็มีมากเพราะนั้นการเสพ เสพสื่อเศพค่านิยมของสังคมเนี่ยถ้าเราไม่เอามาพิจารณาใคร่ครวนให้มันเทียบเคียงกับความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความทุกข์มากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็ทำให้ชีวิตเราคับแคบนะแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงชีวิตเราก็เป็นอิสระ มีความสุขอย่างกว้างขวางความสุขเราก็ไม่ขับแคบย่าไม่ต้องอะไรมากอะ่ะเอาช่วงนี้ใช่ไหมช่วงเนี้ยเขาก็ไอไข้หวัดโควิดอะไรนั่นแ่ะคนเสพข่าวทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เครียดเหมือนกันนะเครียดใช่ไ แล้วเราจะทำยังไงเมื่อเราเสพข่าวทุกวันเราก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้เราไม่เครียดอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเครียดน้อยลงได้ไม่วิตกกังวลกับมันได้ก็คืออะไรความเข้าใจตามความเป็นจริงนี่แหละพอเราเห็นว่ามันมีเชื้อโรคแพร่ระบาดกันไปโน่นนี่ไอมันจะมาถึงเราไม่แน่นอนอ่ะไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นคนประมาทอันนี้ไม่ใช่นะ ช่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ใช่นะก็ต้องตามที่เขาว่านะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรกัว่ากันไปใส่หน้ากากกันเอาไว้ก็ต้องทำเพร่อจะได้ไม่ป่วยอย่างถ้าป่วยก็จะมันก็ป่วยก็คือป่วยจะให้ป่วยใจแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าขณะที่ก่อนก่อนที่เรายังไม่ป่วยเนี่ยไม่ป่วยกายนะแต่ป่วยใจไปแล้ว ดูข่าวทุกวันเครียดทุกวันดูข่าวยิงกันในห้างก็ไม่กล้าไปเดินในห้างแหละเครียดเดี๋ยวจะโดนมั่งอันนี้มันทำให้เราเห็นว่าการที่เรารับรู้ข่าวสารแล้วเนี่ยถ้าเราบริหารสิ่งที่เรารับรู้ไม่ได้ดีนะ่มันทำให้เรามีความทุกข์ทางใจมากเกินความจำเป็น ป, ปัญหามันก็อยู่ที่ว่า เราจะแก้ยังไงใช่ไหก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงซะมันก็ลดอาการวิตกกังวลลงไปได้เพราะอะไรคนเรามันก็ตายทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไอ้โควิดตายหรือว่าจะไปรถชนตายเดินสะดุดก้อนหินหัวทิ่มตายมันตายหมดอ่ะเพราะนั้นวันหนึ่งก็ต้องตายจะตายช้าตายเร็วก็ตายแต่สิ่งสำคัญก่อนที่มันจะตายต่างหาก อันนี้คือสิ่งสําคัญเราจะทํำยังไงให้เราได้อัตภาพอันนี้เนี่ยแล้วเราใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการที่เราได้อัตภาพอันนี้มาแล้วต่างหากถึงเราจะป่วยในระยะการที่เราป่วยอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราป่วยอย่างคนมีธรรมะเนี่ยมันทําให้เราได้ประโยชน์จากการป่วยก็มีนะ เพราะเราเข้าใจไงว่าเอ้มันก็ป่วยไงคนเรามันก็ป่วยคนเรามันก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาใจเราไปผูกกับมันใช่ป่ะเราก็ทุกข์เปล่าแล้วทําไมป่วยกายต้องป่วยใจมันไม่เมคเซนส์เลยกันที่เราจะป่วยกายแล้วเรามาป่วยใจด้วย ม, มันคนละเรื่องกันทําไมเราจะต้องให้ป่วยใจไปด้วยเพราะฉะนั้นเราป่วยกายอย่างมีความสุขใจ มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพัฒนาให้มันไปถึงจุดนั้นใช่ไหมใช่สิมันต้องทำให้มันได้เพราะคนเราเนี่ยกายมันเป็นเรื่องเรื่องรองเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญคือจิตใจต่างหาเพราะนั้นการที่เราป่วยกายแล้วเราทำให้พัฒนาถึงศักยภาพทางใจได้เนี่ยป่วยครั้งนั้นเนี่ยมันถือว่าป่วยอย่างคุ้มค่านะ ป่วยอย่างคุ้มค่ามากเลยต่อให้มันไม่ใช่โควิดต่อให้มันเป็นมะเร็งด้วยเอาขั้น4ี่เลยแต่มันป่วยอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะเราได้ละได้ยึดได้ถือได้ถอดถอนความยึดถือออกไปถอดถอนว่าไอ้นี่มันเป็นเราไอ้นี่คือตัวเราไอ้นี่คือของของเราออกไปจากใจพอใจเราได้ถอดถอนไอ้ทิฏฐิตัวนี้ออกไปจากใจได้ ไอกระไดที่มันจะไปมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์มันจะไปไหนเสียเราได้เกาะกระดพรพนิพานอยู่แล้วมันคุ้มกันไหมนะตายแบบป่วยตายมันก็ดีนะอย่างพระโสนะเงี้ยนะเดินจงกรมเดินเดินเดินเดินทำความเพียรนะเดินจนฝ่าเท้าแตกเนี่ยนะเลือดอาบทางเดินจงกรมเนี่ยถ้าบางคนก็บอกโอ๊ย มันจะไปได้เรื่องอะไรเดินจนเลือดออกนี่นะทุกกายเปล่าๆแต่สําหรับท่านนี่ท่านเอาความทุกข์กายตัวนั้นเนี่ยทําให้มันเห็นนี่ยเห็นตามความเป็นจริงว่ากายมันก็ส่วนของกายไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับใจได้ถอดถอนความเห็นผิดความไม่รู้ความไม่รู้ที่ว่าอันนี้คือเราอันนี้ของเรา เข้าใจไปว่านี่ของเรานี่เป็นเรานี่ของเราเพราะนั้นแค่เดินแล้วฝ่าเท้าแตกเลือดออกซิบๆ บ, บเลือดไหลเป็นทางคุ้มไม้มคุ้มสิเพราอะไรปล่อยวางได้เพราปล่อยวางได้นี่นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นพระอรหันอีกไม่ต้องมาทุกข์อีก แต่คนที่กลัวฝ่าเท้ามันจะแตกอะเป็นไง ก, ก็ก็กลับมามาทุกข์อีกอ่ะมาทุกข์เหมือนเดิมเป็นวงจอรอย่างนี้เหมือนเดิมก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมก็สู้แบบท่านดีว่าเดินนี้มันแตกฝ่าเท้ามันแตกไปเลยแต่กิเลสมันแตกไปด้วยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกวันนี้มันคือใช้อัตภาพที่เราได้มาแล้วเนี่ยถึงขีดสุดเลย ถึงประโยชน์สูงสุดเลยเพราะฉะนั้นแก่ป่วยตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราอยู่บนโลกธรรมดาเราก็ต้องต้องเข้าสังคมให้มันมีมารยาทนิดหนึ่งอะไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ฉันเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วฉันปฏิเสธสมมติทุกอย่างอะไรฉันก็ไม่เอาสมมุติอะไรฉันก็ไม่เอาอันนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกเหมือนกันอ่ะ เป็นคนที่ปฏิบัติทำได้อย่างดีเขาเข้าใจโลกสมมุติแล้วก็เข้าใจโลกตามความเป็นจริงที่มันนอกสมมุติเขาก็อยู่บนโลกสมมุติโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธสมมติแต่เขาก็ใช้สมมุติประครับประครองกันไปให้มันไม่เสียประโยชน์ที่ได้อัตภาพอันนี้มาเพราะความเป็นจริงนี่แหละที่เรา พิจารณาศึกษาบนพื้นฐานของใจที่มันสงบเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยประตูความสุขของเรามันกว้างขวางแล้วก็ประตูความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคับแคบลงไปก็อยากจะเน้นย้าตรงนี้ให้ท่า น, นหลายเนี่ยได้เข้าใจเพราะนั้นการที่เราไปเสพข้อมูลตามตามสังคมมากๆอะ่ะแล้วเราไม่ได้ฉีดวัคซีนคือความ เข้าใจการพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจเลยเนี่ยแน่นอนใจเรามันก็โดนลากไปโดนเอาโดนสมมติโดนกิเลสอะไรก็แล้วแต่ลากไปลากไปปุยปุยยังเพราะนั้นท่านถึงมีเครื่องมือที่ดีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีสังวร ที่ว่าเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ไม่ใช่ว่าเราเปิดรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงอะไรก็ได้อันนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ชํานาญยังไม่มีทักษะยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่คนที่ปฏิบัติธรรมได้ดี เป็นผู้ที่ฉลาดเขาก็จะฉลาดในการที่เขาจะสังวร อ, อินทรีย์ก็คืออะไรสังวรในการดูในการฟังในการลิ้มรสในการสัมผัสในการคิดนึกเหล่านี้ดูก็ดูแต่ไม่ให้ดูมากจนเกินไปแล้วก็เลือกด้วยเลือกที่จะดูอันที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเราเลือกดูข่าวมากๆ เราลดลงไปสักสามสิบเออ็อแล้วเราเอาจิบเปเนตเี่ยมามาดูดูอะไรดูรายการธรรมะบ้างฟังธรรมะรับอรณุณบ้างฟังธรรมะอาจารย์องนั้นองค์นี้บ้างามันแน่นอนมันต้องดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเราเสพอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนเป็นผลอยู่ในจิตใจเรานั่นแหละเราเสพอารมณ์ขยะมากๆ เราเสพอารมณ์ที่มันเป็นโลภโทสะโมหะมากๆมันก็ย้อมใจเราไปแบบนั้นแต่ถ้าเราเสพอารมณ์ที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายความใคร่กำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพานเราเสพอารมณ์เหล่านั้นบ่อยๆจิตใจเราก็โน้มเอียงมาทางนี้เห็นคุณค่าของการที่เรามามีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจเห็นโทษของการที่เรา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ที่มันเป็นไปเพื่อโลภะโทสะโมหะทำให้จิตใจของเรา ร, ร้อนร้อนขุ่นบัวแต่การที่เราพยายามเข้าสมาธิพยายามฝึกปฏิบัติธรรมะอเงี้ยอันหนึ่งก็อยากจะให้สังเกตให้มันละเอียดละออกขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสังเกตแค่เพียงแค่หนึ่งชั้นชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวละเอียดละเอียด่ะมันก็ มันก็มาเป็นกลุ่มๆนะมีด่านหนึ่งด่านสองด่านสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นการที่เราคอยศึกษาให้มันละเอียดขึ้นนะอย่างทำไมเราขาดเข้าสมาธิเรากลับไปทำงานอยู่บ้านแล้วเราก็แบบยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ยังกลุ้มรุมอยู่ยังงดเหงยดยังฟุ้งซ่านอยู่ไอคนนั้นก็ไม่ปฏิบัติธรรม ในคนนี้ก็มัวแต่นินทาคนอื่นในคนนั่นก็หม่ดีคนนี้ก็หม่ดีสุดท้ายเราดีอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงเราก็เพ่งโทรคนอื่นไงสุดท้ายเราก็ไม่ได้ดีเหมือนเขาละไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่แต่อะไรที่มันทำให้ความหงุดหงิดฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นก็คือความอยากในใจเราเน่แหละเราพยายามที่จะรักษาให้มันดีใช่ไห แต่เรารักษาให้มันดีแบบไม่ถูกดีมันก็เลยไม่ดีรักษาให้มันดีแบบไม่ถูกดีหมายความว่าเรารักษาบนพื้นฐานคือความอยากเราอยากให้มันได้ผลที่มันดีอย่างเดียวใจเรามันไปอยู่กับอยากอยู่กับผลที่เราคาดหวังหวังสิ่งใดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์อยู่แล้วพระเจ้าพระตรัสเอาไว้แต่การที่เราอยู่กับเหตุที่มันดีก็คือเราอยู่ในะปัจจุบัน เอาใจย้อนกลับมาให้อยู่กับเหตุให้อยู่กับเหตุนะปัจจุบันของเราอันนั้นมันจะเป็นเบื้องต้นที่ทําให้เราก้าวบนทางเดินที่มันถูกต้องอะ่ะไม่ใช่ใจไปอยู่อนาคตไม่ใช่ใจไปอยู่เรื่องอดีตที่มันเคยทําได้ดีมาแล้วหรือว่าทําเสียไปแต่ให้ใจเราอยู่กับนับปัจจุบันตรงนี้เรานั่งอยู่เราฟังอยู่เราก็เห็นอะไรเรามีสติเห็นกายที่มันนั่งอยู่ เห็นกายที่มันกำลังนั่งฟังอยู่แล้วกายเนี้ยมันไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะเราคืออะไรเราก็คือตัวที่มันเห็นนี่แหละเห็นว่ากายอันนี้มันนั่งอยู่มันฟังอยู่มันก็เปรียบเป็นเหมือนอรถยนต์กับคนขับอะ่ะหรือเปรียบเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์กับคนขับอะ่ะร่างกายนี้มันก็คือหุ่นยนต์ของเราถ้าเรามีสติเข้าสมาธิดีเราก็จะเห็นนี่แหละว่า ร่างกายมันอันเนี้ยเรากาลังจ้องดูมันอยู่นะเรากาลังดูมันอยู่มันไม่ใช่เรานะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้บ่อยๆไ อ, อความเห็นที่ว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นตัวตนเราเขามันจะมีอยู่ในใจของเราได้ยังไงมันมีไม่ได้เพราะเราเห็นมันอยู่อย่างนี้มันเชื่ออยู่ในใจอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมันเห็นอยู่กับ อยู่กับตาอยู่กับความรู้สึกอยู่ยกับตานในของเรามันจะไปเห็นว่านี่เป็นกายเราได้ยังไงนี่แหละที่เราทําให้มันอยู่ณนะปัจจุบันตรงนี้ให้มันเห็นอยู่ตรงนี้กายอันหนึ่งใจอันหนึ่งเรามีสติเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจของเราเพอเราเห็น กายอันหนึ่งใจอันหนึ่งแน่นอนมันก็ต้องเห็นว่ากายไม่ใช่เราแน่นอนเป็นของยืมใช้เฉยๆเพราะนั้นไอ้คำว่าความเห็นที่ว่านี่เป็นเรานี่เป็นาสากุลเป็นบุคคลนะ่ะมันจะไปมีอยู่ในจิตใจของเราได้ยังไงเพราะเราเตือนตัวเองอยู่ตลอดถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราเห็นอย่างนี้ได้ตลอดแน่นอน มันจะเชื่อมัน่นค่อยๆเติมความเชื่อมั่นลงไปในใจได้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราแน่นอนทุกกายมันก็ทุกของกายไปมันไม่ใช่ทุกใจแน่นอนใจเราก็ต่างหากขอแค่มีสติที่ใจมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปให้ความสำคัญกับมันมากพอไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่เข้าไปยึดไปถือพอเราเห็นอย่างนี้ได้ได้ดีแล้วเนี่ย สิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือพัฒนากำลังสติให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นเท่าทันจิตใจมากขึ้นสุดท้ายมันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็คือว่าเราก็มีสติที่คอยป้องกันความเผลอของเราเนี่แหละส่วนมากเผลออะไรเผลอไปคิดนั่งเฉยๆก็เผลอไปคิดพอเผลอไปคิดแล้วเราก็ปล่อยใจไปกับความคิดมันก็เป็น เหมือนเมนราหลุดเข้าไปในโลกของความคิดมันก็เป็นพบเป็นเรื่องเป็นเราอยู่ในความคิดนั่นแหละแต่สติที่เราเคยฝึกหัดอบรมมาสมาสติที่เราเคยฝึกหัดเป็นความคุ้นเคยทางจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นได้พอเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะดึงใจเราออกมาจากไอพบของความคิดดึงออกมาอยู่ที่ สภาวะที่เราเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึง่งแล้วก็เห็นถึงอดีตที่ใจของเราเนี่ยมันไหลไปอยู่ในภพของความคิดวิธีง่ายคือเราฝึกให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยละเอียดขึ้นฉับไวขึ้นเนี่ยเราก็จะสู้กับความเผลอเราเนี่ยแหละความเผลอที่มันเผลอไปคิด เผลอเข้าไปยึดถือไปยึดถือพบในความคิดถือมีความเป็นเราเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในความคิดก็เป็นพบนั่นแหละเป็นพบอยู่ในความคิดมีสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นในนั้นหมดเั็นการที่เราเกิดสัมมาสติให้มันได้บ่อยยิ่งบ่อยยิ่งทีเราก็จะสลัดตัวออกจากพบของความคิดได้ดี พอออกจากภพของความคิดได้ดีแล้วเราเอาใจวางอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่สตินี่แหละใจเราก็อยู่ที่สติความตั้งใจอะใจอะความใส่ใจความตั้งใจของเราอยู่ที่สติสติคือเครื่องระลึกรู้ความรู้สึกตัวอยู่ที่สติเฉพาะหน้านี่แหละเอาความเป็นเราเอามาแปะเอาไว้ตรงนี้ ถ อ, ถอนอัตตานุทิฏฐิก็คือความเข้าไปยึดไปถือในโลกของความคิดถอนออกมามาไว้ที่ณปัจจุบันตรงนี้ตรงที่ความคิดมันดับไปตรงที่มีความระลึกรู้รู้สึกอยู่ที่จมพาะหน้าของเราพเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เห็นเหมือนเดิมเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่ง แล้วก็เห็นอารมณ์ในใจของเราชัดขึ้นด้วยว่าอารมณ์ตอนนี้เรามีอารมณ์เฉยๆเรามีอารมณ์ยินดีพอใจเรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์ขัดเคืองอยู่ในใจมีความรักมีความเกลียดอยู่ในใจสติคือใจที่อยู่กับสติมันก็เป็นผู้ดูผู้เห็นนั่นแหละแต่ถ้ากำลังสติกำลังใจเราไม่ดีเนะี่ยอารมณ์ในใจอันนี้มันก็ครอบครอบใจเรา พอครอบใจเราปุ๊บมันก็พาให้เราไปคิดคิดด้วยอำนาจความอยากคิดด้วยอำนาจความรักคิดด้วยอำนาจความพยาบาทต่างๆพอคิดเสร็จเราก็หลุดเข้าไปในโลกของความคิดอีกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติที่มันมีกำลังเกิดขึ้นอีกเราก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดอันนั้น กลับมาอยู่ที่สติเฉพาะหน้ามีความเป็นเราอยู่ที่สติจเฉพาะหน้าที่ไม่ดนอารมณ์ในใจอารมณ์ครอบงําไม่โดนทั้งอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์สงบไม่สงบก็แล้วแต่ครอบงําจิตใจของเราไม่ครอบงําใจเราได้เราก็อยู่กับสติตรงนี้เลยทีนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่มีเราก็อยู่ตรงนี้สบายกว่าเพราะว่าถ้าเรายังไปยึดถือว่าใจเรามีอารมณ์ที่ดีเราก็ยินดีพอใจกับอารมณ์ในใจเราอารมณ์ผ่องใสก็ดีอารมณ์สงบเยือกเย็นก็ดีเรายังยึดอันนี้อยู่อันนี้เปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเราก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับมัน่ะถ้ามันเสื่อมเราก็ทุกร้อนกับมัน ถ้ามันดีเราก็มีความเพลิดเพลินยินดีก็ดีก็ไดาไปกับมันแต่แน่นอนการที่เราดึงใจของเราแล้วไม่ไปยึดตัวนี้ได้ใจของเรามันยิ่งมีความสุขที่มันกว้างขวางมากกว่าเพราะว่าความสุขเรามันไม่ได้ไปผูกมัดกับอารมณ์ในใจของเราที่ว่าต้องผ่องใสเท่านั้นนะถึงจะดีแล้วเราพอใจจะผ่องใสก็ฉ่างมันจะเฉยเก็ฉ่างมัน เลือกของมันไปเราก็อยู่กับสติเฉพาะหน้าของเราตรงนี้แต่แน่นอนพอเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะขุนมัวเศร้าหมองมันก็ต้องน้อยลงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเผลอแล้วมันเกิดเห็นว่ามันเศร้าหมองขุนมัวเราก็อย่าไปเป็นอารมณ์กับมันเพราะมันเป็นของที่มันเปลี่ยนได้ เศร้าหมองได้ผ่องใสก็ได้เพราะนั้นก็ช่างมันพอช่างมันได้เราก็มีใจที่มันเป็นไทยจากอารมณ์ น, นี้มาอยู่ที่สติเฉพาะหน้าเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมาอยู่ตรงนี้ตรงสติที่มันเกิดมันก็เป็นของเกิดดับเหมือนกัน เกิดมาแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เกิดมันก็ดูมันดูตรงนี้ตรงที่มันไม่มีอารมณ์ที่มันจะมาครอบใจเราได้ไม่มีอารมณ์ที่มันจะมาครอบความเป็นเราชักจูงเราไปได้ทีนี้เราเห็นว่าจิตของเราเป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็เอาไปใช้งานแต่ถ้าจิตของเราเป็นหนักกุศลเรารู้เราเห็นเราเท่าทันเราก็ไม่ปล่อยไปตามมันเพราะฉะนั้น เราก็ได้ทาได้ดําเนินมีวิถีดําเนินชีวิตของเรานะอยู่บนความปลอดภัยมันก็จะไปพ้องกับตรงที่ที่ที่พุทธองค์ตัดเอาไว้ตอนท้ายน่แหละว่าอัปมาเทนะสัมปาเดธะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความประมาทปมาทะความประมาทเนี่ยมันมาจากปะมะ มัชะแปล ว, ว่าเมาเมาก็ถึงแปลรวมๆว่าความมัวเมาประมาณมันเมาไงเมาอะไรเมาในอารมณ์บ้างเมาในรูปเสียงกลิ่นรสบ้างไอเมาเหล้าเนี่ยมันยังพอเห็นชัดนะพอเมาไปมันก็อย่างนั้นแต่ถ้าใจมันเมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันดูยากเหมือนกันแต่การที่เราจะทำให้ ใจของเราเนี่ยมันถึงพร้อมด้วยความไม่เมาความไม่ประมาทอันนี้ได้ก็คือเจริญสติให้เรามีสติสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นเราจะได้เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าที่ดีเดินเดินตามคำสอนเดินเดินตามแนวทางที่พระพุทธองค์สั่งเสียไว้ในวันสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะตรัสอ่ะ รัดคำสั่งเสียสุดท้ายเนี่ยมันต้องคัดกันกรองจนเป็นประโยชน์ที่เด็ดที่สุดดีที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดออกมาให้ซึ่งประโยชน์นั้นก็คือว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะเพราะนั้นก็คือให้เรามีสติสติก็คือตัวที่มันตรงข้ามกับความประมาทน่แหละเพราะนั้นเรายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือให้เราเจริญสติ ให้เรามีสติที่มันเท่าทันให้เราเห็นเป็นว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งคอยเฝ้าดูไปเพราะนั้นสติจึงเป็นเรื่องที่ที่พระพุทธองค์ทรงเน้นแล้วก็เป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทางเจริญก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าพยายามที่ ให้ทุกท่านเนี่ยพูดให้กำลังใจพูดได้เป็นแนวทางบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือฝึกสติไม่ใช่แค่ฝึกธรรมดานะฝึกให้จนเรามีนิสยัยมีนิสัยที่มีสัมมาสติเกิดขึ้นให้ได้บ่อยๆให้ได้เนืองๆอยู่เรื่อยๆพอเราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคต อย่างจริงจังอย่างจริงจริงแล้วก็เป็นลุกศิษย์พระตถาคตที่พระพุทธองค์ทรงช่้ชมว่าเป็นผู้ที่ชนะมารทำความาสุขบรมสุขให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่จบปรมจันท ร, ร์ในาศาสนานี้ได้ที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง